กฎที่82เนนทองดีสองทุ่มครึ่งของอีกวันเนนทองดีจึงออกจากผลสมาบัติซึ่งท่านได้อธิษฐานจิตไว้ตอนก่อนเข้าว่า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 ครั้นทราบข่าวต่างพากันชื่นชมยินดีกันทั่วหน้าด้วยยังไม่เคยปรากฏว่ามีสมณเณรรูปใดทำได้เช่นนี้มาก่อนบุคคลที่ยินดีปรีดากว่าใครเพื่อนเห็นจะได้แก่พระเจริญเพราะนอกจากเนนทงดีจะอยู่ในอารามเดียวกับท่านแล้วยังติดสอยห้อยตามในฐานะลูกศิษย์คอยรับใช้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 แต่สงสัยว่าจะอยู่ไม่ได้เนนทงดีตอบทำไมจะไม่ได้ก็เขาส่งเรามาอบรมตั้งหกเดือนเรามีสิทธิ์อยู่ต่อจนครบกำหนดท่านหาทางออกให้เพราะคิดว่าเนนกลัวทางสำนักจะไม่ให้อยู่เนื่องจากว่าเรียนจบหลักสูตรก่อนกำหนดถึงห้าเดือนไม่ใช่เรื่องที่อยู่หรอกครับหลวงพี่ที่ผมว่าอยู่ไม่ได้เพราะต้องกลับไปเยี่ยมโยมแม่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 พรุ่งนี้จะได้รับหนังสือที่ส่งมาจากทางบ้านว่าโยมแม่ป่วยนะหรือครับผมมั่นใจอย่างนั้นน่าแปลกนะครับหลวงพี่อา น, นิสงส์งแห่งการปฏิบัติธรรมช่างอัศจรรย์เลิศเกินแต่ก่อนผมเป็นคนพูดติดอ่างครั้นมาปฏิบัติธรรมจนจิตตั้งใจถึงกลับพูดได้ไม่ติดขัด ผมต้องขอบคุณหลวงพี่ที่ชวนให้ผมมาพบขุมทรัพย์ทางปัญญาท่านก้มลงกราบพระหนุ่มสามครั้งด้วยรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณอย่าคิดว่าเป็นบุญคุณอะไรเลยหลวงพี่ว่าเป็นบุญของเนนนั่นแหละเนนต้องเป็นผู้ที่เคยสร้างสมบุญกุศลมาก่อนที่เรียกว่าบุพเพจกะกกตะปุญญาตา จึงได้ประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทันตาเห็นพระหนุ่มพูดออกตัวถึงยังไงหลวงพี่ก็มีบุญคุณต่อผมเพราะถ้าหลวงพี่ไม่บอกหลวงพ่อชอบว่าจะพาผมมาด้วยผมก็คงไม่ได้มาเอาเถอะนันเนนจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจบอกตามตรงว่าหลวงพี่ชื่นใจมากที่เห็นเนนประสบความสำเร็จ แต่เมื่อกลับมามองตัวเองแล้วก็เศร้าใจหลวงพี่คงจะไม่ก้าวหน้าเพราะไม่เคยสร้างสมบุญไว้นอกจากไม่สร้างสมบุญแล้วยังสร้างเวรสร้างกรรมมากมายอย่างที่เคยเล่าให้เนรฟังนั่นแหละพระนมรู้สึกหดหูใจเมื่อนึกถึงการกระทําของตัวของท่านในครั้งอดีตอย่าเพิ่งท้อถอยสิครับแล้วก็อย่าเพิ่งโทษว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไร แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงก็แก้ไขได้กรรมเป็นเรื่องที่แก้ไขได้นะครับผมว่าชาวพุทธเรายัางเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องกรรมไม่ถูกต้องยังไงพระเจริญอยากรู้ก็ไปเข้าใจว่ากรรมเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้น่ะสิครับอย่างเช่นคนที่เกิดมาจนก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปโดยไม่ยอมปรับปรุงแก้ไข เพราะถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมแบบนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ากรรมนั้นแก้ไขได้เช่นคนที่เกิดมายากจนก็ต้องขยันทำมาหากินแล้วก็จะรวยได้ต้องแยกให้ออกว่าระหว่างกรรมเก่ากรรมปัจจุบันการที่เกิดมาเพราะกรรมเก่าทามาไม่ดีจริงอยู่เราไม่สามารถแก้ไขกรรมเก่าได้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 พระหนุ่มพูดยิ้มยิ้มอานิสง์ของการปฏิบัติธรรมตั้งหากล่ะครับธรรมะเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวผมจากคนที่พูดติดอ่างกลายเป็นพูดคล่องและจากคนที่ไม่รู้ก็เกิดปัญญาสว่างสวยขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ธรรมะเนี่ยลึกซึ้งนะครับหลวงพี่ใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ต้องปฏิบัติจนรู้เองเห็นเองแล้วจะซึ้งใจ เหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัจจตังเวทิตตโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมะเนี่ยรู้ได้เฉพาะตนจริงๆนะครับถ้าเราเข้าไม่ถึงใครจะมาพูดยังไงก็ไม่เข้าใจได้ เนนพูดมานี้ทําให้หลวงพี่นึกถึงคําพูดของหลวงพ่อในป่าแต่หลวงพี่ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรคงต้องใช้เวลาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเพื่อชดใช้กรรมเก่าสมัยเป็นเด็กหลวงพี่ไม่เชื่อบาปบุญมีจริงตอนบวชใหม่ๆก็ยังไม่เชื่อเพราะไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติ มัวแต่นับวันนับคืนว่าเมื่อไรจะได้ลาสิขานี่ถ้าเกิดหลวงพี่ศึกไปเป็นค า, ารวาตตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้ก็ไม่รู้จะก่อคำทําเข็ญเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วก็คงเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรเรียกว่าเป็นพุทธแต่ชื่อเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาเป็นกันเนละ่ะตอนก่อนบวดรู้ไม่ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร ท่านถามอธิชาติสิไม่รู้เลยครับถึงตอนบวชแล้วผมก็ยังไม่รู้เพิ่งจะมารู้ตอนที่ปฏิบัติมากๆนี่เองแต่ก่อนผมคิดเอาเองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาหน้าที่ชาวพุทธมีเพียงเท่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนคือ สัพพปาปัสสะอาการะนังกุสะลัสธปสัมสปทาสจิตตอริโยทัปนังเอตังพุทธานะศาสนังแปลว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญแต่ความดีการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาสรุปสั้นๆก็คือ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองคนเป็นเนนพูดจ้อยจ้อยจนคนฟังรู้สึกเพลิดเพลินโอ้โหเนนเก่งบาลีอีกด้วยถามจริงๆเธอเคยเรียนบาลีมาหรือเปล่าทำไมพูดได้คล่องปากอย่างนี้เนนทองดีถูกถามไม่เคยเรียนหรอกครับหลวงพี่ก็รู้ หลวงพ่อชอท่านมีงานแยะไม่มีเวลาสอนพระสอนเนรหรอกก็บวชเฝ้าวัดไปวันๆทั้งพระทั้งเนนแต่ท่านก็ดีนะที่ให้เราสองคนมาปฏิบัติอย่างน้อยเราก็ได้มาพบแสงสว่างถึงหลวงพี่จะไม่ได้มากเท่าเนนแต่ก็สว่างพอที่จะทําให้ไม่หลงทาง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 คนเป็นสิทธิ์แย้งอย่างนิ่มนวลเอาละหลวงพี่ยอมรับว่าที่ผ่านมาหลวงพี่ย่อหย่อนในการทำความเพียรต่อไปนี้หลวงพี่จะตั้งต้นใหม่จะปรารบความเพียรสม่ำเสมอดังที่เนนว่ามาหลวงพี่ให้สัญญาว่าจะไม่เสียชื่อวัดพรหมบุรีของเราดีครับผมขออาใจช่วย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 ขอหลวงพี่ไปฟังด้วยคนนะพระหนมรีบบอกเนนจึงพูดอย่างเกรงใจว่าให้ผมขออนุญาต ท, ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก่อนดีไหมครับไม่ต้องขอหรอกครับหลวงพ่อท่านสั่งผมมาว่าให้หลวงพี่เนนไปรูปเดียวส่วนหลวงพี่ให้ปฏิบัติอยู่ในห้องจนกว่าหลวงพี่เนนจะกลับเข้ามาลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์บอกกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายมา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 อย่างกลางหรืออย่างกล้าถ้าได้อย่างอ่อนเป็นพระโสดาบันประเภทสัตตะขัตตุปรามะจะท่องเที่ยวไปในสุขติภพเจ็ดภพจึงจะเข้าถึงพระนิพพานถ้าได้อย่างกลางเป็นพระโสดาบันประเภทโกลังโกละจะแล่นท่องเที่ยวไปในภพสองหรือสามภพจึงจะเข้าถึงพระนิพพาน แต่ถ้าได้อย่างสูงเป็นพระโสดาบาันประเภทเอพีซ ก, ก็จะเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียวเท่านั้นก็จะได้เข้าถึงพระนิพพานกล่าวโดยย่ อ, อคือผู้ที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นพระโสดาบาันแล้วจะเกิดอีกอย่างน้อยหนึ่งชาติอย่างมากเจ็ดชาติก็จะบรรลุพระนิพพานคือเป็นพระอระหรันต์เน้นทองดีทำความเคารพพระอาจารย์ ด้วยการกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งจากนั้นจึงนั่งประนมมือรอฟังคาถามพระอุดมวิชาญาณสอบอารมณ์โดยเริ่มจากญาณที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทญาณอันเป็นญาณที่ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญารู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามที่เรียกว่ารูปนามนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติ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 อันก่อนกับซ้ายยางอันหลังเป็นอันเดียวกันหรือว่าคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับพองกับยุบเป็นคนละอันกันหรืออันเดียวกันเป็นคนละอันกันครับพองแรกกับพองหลังยุบแรกกับยุบหลังเป็นคนละอันหรืออันเดียวกันเป็นคนละอันกันครับ เนนตอบอย่างคล่องแคล่วเจ้าคุณอาจารย์รู้สึกพอใจที่ลูกศิษย์รู้แยกรูปได้อย่างถูกต้องจึงทดสอบรู้แยกนามได้การถามว่ารู้ขวาแยางกับรู้ซ้ายแยงเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับรู้พองกับรู้ยุบเป็นคนละอันกันใช่ไหมใช่ครับ รูปพองแรกกับรูปพองหลังเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับเป็นอันว่าเนียนทองดีผ่านการทดสอบรู้แยกนามลำดับต่อไปก็คือการทดสอบรู้แยกรูปแยกนามพระอุดมวิชาญาณตั้งคำถามว่ารู้กับขวาย่างซ้ายย่างเป็นคนละอันกันใช่ไหม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 เป็นคนละอันกันหรืออันเดียวกันคนละอันกันครับเพียงคำถามเดียวก็รู้สึกว่าลูกศิษย์ผ่านการทดสอบทางอายตนะท่านจึงตั้งคำถามเบตะเล็ดเป็นลำดับสุดท้ายมีเวทนาเกิดขึ้นไหมมีครับแล้วกำหนดหรือเปล่ากำหนดครับยกตัวอย่างสิเมื่อปวดขา ผมกำหนดปวดหนอปวดหนอครับกำหนดแล้วหายปวดไหมไม่หายครับแล้วเธอทำอย่างไรกำหนดว่าอดทนหนอภาคเพียรหนอแล้วกลับมากำหนดที่พองหนอยุบหนอครับจิตแลบออกไปข้างนอกบ้างไหมมีบ้างครับและกำหนดทันหรือเปล่าบางครั้งก็ทัน บางครั้งก็ไม่ทันครับการทดสอบห้าขั้นผ่านไปปรากฏว่าเนนทองดีตอบได้อย่างฉะฉานจึงสามารถผ่านยานที่หนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมจากนั้นเจ้าคุณอาจารย์จึงสอบอารมณ์ยานที่สองที่สที่สและที่หซึ่งมีชื่อเรียกตามลำดับคือปัจจยะปริคะหะยานสมาสนยาน อุดทยภ ย, ยานและพังทยานจากยานที่หก็เป็นยานที่หชื่อพยายานไปจนกระทั่งถึงยานที่16ชื่อปัจเจเวคขณะยานยานที่หนึ่งถึงยานที่หเนทองดีตอบได้ฉะฉานคล่องแคล่วด้วยว่าเคยผ่านการทดสอบจากมหาหนูและอาจารย์แพงมาแล้ว แต่ยานที่6จนถึงยานที่16ยังไม่เคยได้รับการทดสอบจากอาจารย์ท่านใดามาก่อนความคร่องตัวในการตอบจึงลดลงท่านจึงจัดให้อยู่ในพระโสดาบันประเภทสัตตกขัดตุประมะซึ่งจะต้องเวียนไหวอยู่ในสุขติภูมิอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหรันต์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 ฉะนั้นปริยัตจึงมีความสำคัญจะต้องรู้ไว้บ้างเข้าใจหรือยังเข้าใจครับกระผมมีความรู้สึกว่าเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วปริยัตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกระผมสังเกตในการปฏิบัติคนที่ไม่รู้ปริยัตมาก่อนจะปฏิบัติได้ก้าวหน้าส่วนคนรู้ปริยัตอาจจะมัวติดอยู่กับสิ่งที่เรียนรู้มา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 คนนี้ฉเฉลียวฉลาดมีปัญญาเป็นเลิศเขาจะต้องเป็นวิปัสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตมันก็แปลกนะเธอคนฉลาดมากๆมั ก, กรู้ชา้าอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลก็มีตัวอย่างมาแล้วเธอเคยได้ยินชื่อพระสารีบุตรไหมเคยครับท่านเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาของพระบรมศาสดานั่นแหละ ท่านเป็นผู้เลิศในทางปัญญาเฉลียวฉลาดมากขนาดฝนตกแต่ละครั้งท่านสามารถนับเม็ดฝนได้คิดดูก็แล้วกันว่าท่านฉลาดลึกซึ่งปานใดแต่ในการปฏิบัติธรรมท่านกลับบรรลุอรหัตผลช้ากว่าพระโมคคัลลานะผู้เป็นสหายของท่านแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็เป็นเลิศ ก, กว่าพระสาวกรูปอื่นๆ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 และเคารพนับถือท่านพระสารีบุตรมากที่สุดเนนทองดีพูดจากใจจริงฉันก็เหมือนกันฉันรวบรวมเรื่องราวของท่านไว้มากถ้ามีเวลาก็วัดจะเขียนเป็นหนังสือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันเอาละ่ะเรายุติเรื่องนี้ไว้ก่อนฉันกำลังจะสอนภาคปริยัติให้เธอท่านจำเป็นต้องบอกกล่าวให้เนนรู้ทางอ้อม เรื่องที่เขาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นคนเป็นสิทธิ์ประนมมือนั่งฟังด้วยความตั้งใจพระอุดมวิชายาณจึงเริ่มต้นขึ้นว่าในปหีนสูตรอังคุตรนิกายทุติยปนนาถได้กล่าวถึงธรรมที่พระโสดาบันได้แล้วหกประการมีหนึ่งสักยะทิฏฐิความเห็นว่าเป็น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 3ข้อแรกก็คือสังโยชน์ส่วนสข้อสุดท้ายก็คืออกุศลมูลสธรรมหประการ น, นี้พระโสดาบันละได้แล้วนอกจากนี้ในอุปาเทท พ, พสูตรได้กล่าวถึงธรรมที่เป็นพระโสดาบันไม่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งได้แก่ทรห6ประการที่กล่าวมาข้างต้นนี้เพราะฉะนั้นพระโสดาบัน จึงเป็นผู้ตัดขาดจากอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าเดรัจฉานอีกครับกระผมรู้สึกมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ตกไปในอบายอย่างแน่นอนที่มั่นใจอย่างนั้นกระผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าทำไมช่างเถอะบอกไม่ถูกก็ไม่ต้องบอกเพราะธรรมะเป็นสันติติโก ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้โดยตนเองเอาละเป็นอันว่าการสอบอารมณ์สิ้นสุดลงแล้วเธอกลับไปพักผ่อนได้เนนทองดีจึงพูดขึ้นว่ากระผมขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ธรรมะแก่กระผมพร้อมกันนี้กระผมก็ขอให้สัตยปฏิญาณว่า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 ตามคำสั่งของเจ้าคุณอาจารย์ที่สั่งผ่านมาทางลูกศิษย์ของท่านเป็นภาพที่เนียนทองดีไม่เคยพบมาก่อนหรือว่าอาจารย์ของท่านจะสำเร็จมรรคผลในข้ามคืนนี้